hmm <sweak> ตั้งใจฟังหน่อยนะเดินเสียงอัตมาหรือเปล่าถ้าเอาจิตมากำหนดที่เสียงของอัตมาก็คงจะฟังรู้เรื่องกันนะฝนตกมันกระทบหลังคาอาจจะโดนตัวเราบ้างตอนที่เราเดินมาแต่ว่า มันไม่ได้กระทบใจเราไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวนะที่มากระทบถูกใจเราส่วนใหญ่ก็กระทบถูกหลังคาสังกสีและส่งเสียงดังเข้าหูของเราจะสังเกตไหมถึงแม้ว่าฝนจะไม่ได้กระทบใจเราเลยแม้แต่หยดเดียวแต่ว่าใจเราอาจจะเป็นทุกข์ อาจจะเป็นทุกข์ตั้งแต่ตอนอยู่ที่กุตติแล้วตอนที่เดินมาก็อาจจะมีความกังวลพอเสียงคนเนี่ยตอ น, นตกกระนำขณะที่เราทําวัดทั้งทั้งที่ใจเราไม่ได้เปียกเลยนะแต่ว่าก็า จ, จะมีความวิตกกังวลต่างๆนา น, นาอาจจะมีความไม่พอใจเกิดขึ้น บางคนจะห่วงว่าแล้วเดี๋ยวจะกลับไปกุฏิได้อย่างไรบางคนจะกังวลว่าน้ําจะท่วมหนักขึ้นนะเพราะตอนนี้หลายกุฏิก็มีน้ําที่ขังอยู่ท่วมอยู่บางคนอาจจะนึกเสียดายนะว่าแหมมันน่าจะตกหนักตอนก่อนทําวัด ส, สักหน่อยนะจะได้มีข้ออ้างนะไม่ต้องมาทําวัดนี่มาถึงแล้วในดันตกหนักนะเสียดายนะแบบนี้ก็มีนะ ก็รู้สึกเสียเสียดายที่ฝนมาตกหนักอตอนที่มาถึงศาลาธรรมวัดแล้วอันนี้ก็เป็นความความยินร้ายนะถ้าเรียกลมหลวงคือความยินร้ายบางคนอาจจะมีความยินดีก็ได้ว่าเออมัมาตกหนักตอนที่เรามาถึงศาลาธรรมวัดแล้วแต่ถ้ามาตกกลางทางก็คงจะเปียกนะแม้จะมีร่ม ก็อาจจะทานไม่อยู่จากล่าวโดยรวมๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะมีความยินร้ายมากกว่ามีความวิตกกังวลมีความไม่พอใจอาจจะมีความขุ่นเคืองใจด้วยว่าทำไมนะถึงเดือนตุลาคมแล้วมันก็ยังไม่หยุดตกสักทีทั้งหมดนี้พูดรวมๆนะก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ใจ แต่ทำไมเราถึงทุกข์ใจได้นะทั้งๆที่ฝนไม่ได้ตกกระทบใจเลยแม้แต่หยดเดียวแลนะบางทีฝนก็ไม่ได้ตกกระทบกายเราด้วยซ้ำที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแม้ไม่มีฝนมาตกกระทบใจเรานะแต่มันมีความคิดนะความคิดที่ ม, มันกระทบกับใจเราความคิดเนี้เรียกว่าทำมารมนะเรียกลมหรือว่าทำมามุม เมื่อทำ ม, มารมมักระทบใจเราแล้วเกิดผัสสะตรงนี้แหละที่มันจะเกิดเวทนาขึ้นแล้วนําไปสู่ความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายอันนี้ความคิดที่มันกระทบใจเราเนี่ยนะก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี่แหละนะเช่นพอคิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่สบายบ้างละเดี๋ยวเราจะ กลับกุติไม่ได้บังละหรือเสียไดยท้ที่มันน่าจะตกนะตอนที่ก่อนทำวัดสักหน่อยนะจะได้มีข้ออ้างไม่ต้องมาทำวัดเนี่ยแล้วนี่เป็นความคิดนะพอมันเกิดขึ้นกับใจและใจไปรับรู้อันนี้เรียกว่าเกิดการกระทบกันขึ้นก็เกิดความยินร้ายเกิดความทุกข์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าฝนนะความทุกข์ในใจนะที่เกิดขึ้นเนี่ยกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะฝนหรอกนะแต่เป็นเพราะความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นความทุกข์ใจก็ไม่เกิดนะแต่คนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยเห็นหรือรู้ทัน ความจริงข้อนี้นะเราก็ไปไปโทษสิ่งภายนอกไปโทษว่าฝนว่าฝนตกทำให้เราเป็นทุกข์เราก็บอกไม่ชอบฝนเลยนะไม่ชอบฝนเลยว่าฝนทำให้เราเกิดความกังวลแต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะความคิดที่ปรุงขึ้นมาในใจมากกว่ามันก็เหมือนกับเวลา เราเดินทางในกรุงเทพแล้วก็รถติดหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยตอนนี้มีน้ําท่วมในกรุงเทพโดยเพราะถนนหลายสายนี้ก็จราจรติดขัดแน่นขนัดหลายคนก็มีความหงุดหงิดนะมีความวิตกกังวลต่างๆแล้วก็ไปโทษนะว่าเป็นเพราะรถติดบ้างเป็นเพราะน้ําท่วมบ้าง รถติดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียมากระทบใจเราเลยน้ำท่วมมันก็ท่วมแต่รถนะหรือว่าอาจจะมาทำให้ร่างกายเราเปียกปอนบ้างในบางส่วนแต่มันก็ไม่ได้กระทบใจเราแต่ที่เราทุกข์ก็เพราะนะความวความคิดปรุงแต่ง พอเห็นรถติด ก, ก็คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปทำงานสายผิดนัดเดี๋ยวจะตกเครื่องบินเดี๋ยวจะไปส่งไปเยี่ยมคนป่วยไม่ทันพอคิดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยทุกเลยหรือพอคิดว่าเนี่ยน้ำท่วมแบบนี้รถจะเสียไหมค่าซ่อมก็คงจะอานเลยนะ คงจะเป็นหลายพันหรือเป็นหมื่นพอคิด แ, นะแบบนั้นพอคิดแบบนี้เข้านี่ทุกเลยนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะก็ไปโทษว่าที่ทุกเนี่ยที่งดหงิดเนี่ยเพราะว่ารถติดแต่มันไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะความคิดของเรารวมถึงความอยากความคาดหวังด้วยอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆหรือว่าคาดหวังว่าการเดินทางมันจะสะดวกราบรื่น พอเป็นวันอาทิตย์แต่มันดัดมีฝนเทลงมามันผิดความคาดหวังไม่ตรงกับความคาดหมายสวนทางกับความอยากไอ้ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจนะเรียกลมรอวเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจไอ้ตัวนี้ท่างหาที่มันเป็นตัวการทำให้ใจเป็นทุกข์นะไม่ใช่เพราะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกรถติดน้าท่วมแดดร้อนฝนตกไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ปัจจัยรองหรือว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแต่ความคิดปรุงแต่งก็ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นพอรายเห็นถ้าเรามีสติรู้ทันนะนะ ความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันเป็นความคิดทางลบทางร้ายคาดการไปต่างๆนานาว่าเดี๋ยวจะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ทันเดี๋ยวจะตกเครื่องบินเดี๋ยวจะต้องเสียค่าซ่อมรถเดี๋ยวต้องเจ็บต้องป่วยเป็นหวัดนะถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดเหล่านี้เนี่ย แล้ว ไ, ไปปล่อยให้มันครอบงามกิตใจความที่เรานิ้ก็จางคลายหายไปใจเราก็ยังเป็นปกติได้ข้างนอกฝนตกหมายถึงนอกตัวเรานะฝนตกการนำเข้ามาหรือว่าน้ำนี่มันจะเ อ, อ่อท่วมรถนะแต่ว่าใจเราก็เป็นปกติได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยทุกใจ แล้วก็ไปโทษสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวการสำคัญที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ่มไม่ได้นะไม่ได้กลับมาดูใจของตัวหรือไม่ได้คิดที่จะหันมาดูใจของตนเลยแต่ถ้าเรารู้หรือเห็นความจริงอย่างนี้อาจจะเกิดจากการสังเกตเป็นครั้งคราวหรืออาจจะเกิดจากการที่ได้ฟังครูบาอาจารย์พูดและเราเริ่มหันกลับมาดูใจของเรา เมื่อเราตามที่เรากลับมาดูใจนะมันก็จะเห็นความคิดปรุงแต่งที่ว่าเริ่มต้นอาจจะเห็นอาจจะรับรู้ความรู้สึกก่อนว่าหรือเห็นอารมณ์ว่ามันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นสังเกตว่ามันมีความกังวลเกิดขึ้นมีความกังวลกระวายเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าสังเกตเท่านี้นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะสังเกตแล้วเนี่ยสาวต่อไปว่ามันกังวลเพราะอะไร อย่าไปหยุดแค่นั้นก็จะเพราะว่โอเป็นเพราะเราคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาแน่นอนมันมีความคิดเกิดขึ้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปเพียงสักครู่นี่ถ้าเรากลับมาดูใจมัจะเห็นความคิดที่แรกมาสังเกตอารมณ์ก่อนแต่นะคุณสัญญาพอเห็นพอไม่ทันสังเกตนะไม่ทันเห็นอารมณ์แนละ้วมันเข้าไปเป็นละเป็นผู้กังวลเป็นผู้วิตตกเป็นผู้ทุกข์นะเป็นผู้หงุดหงิด อันนี้ไม่ใช่ว่าสังเกตนะนี่เราเข้าไปเป็นแต่ว่าถ้าหากใช้สติเข้าไปสังเกตเ อ, อ๋อเห็นเราก็จะเห็นว่าออก่อนที่มันจะกังวลเนี่ยมันมีความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก่อนเมันเกิดขึ้นเร็วมากพอคิดปุ๊บนี่มันกังวลปั๊บเลยหรือพอคิดปุ๊บมันทุกปั๊บเลยนี่พอเราหันมามองใจนะ เราก็เอกสตินั่นแหละก็จะไม่อนุญาตให้ความคิดปรุงแต่งเป็นยืดยาวแล้วทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาการมีสติรู้ทันจนยทำให้ใจสงบได้ใจเป็นปกติได้ฝนตกก็ตกไปรถติดก็ติดไปจิตไม่ตกนะน้ำท่วมก็ท่วมแต่รถแต่ไม่ได้ท่วมใจด้วยแต่พอไม่ไม่ดูใจตัวเองนะน้ำก็ไม่ให้ท่วมรถอย่างเดียวมันท่วมใจด้วย หเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสดีนะที่ทําให้เรากลับมาดูใจของตัวเหมือนกับเป็นการบ้านเป็นโอกาสดีถ้ามันปกติเนี่ยใจเราก็คงไม่มีความยินยินร้ายอะไรใจไม่กระเพื่อมพูดง่ายๆเราก็คงไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับใจของตัวแต่พอมีหรือพอเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจ เหตุการณ์ที่มันขัด อ, อกขัดใจเนี่ยทำให้ใจกระเพื่อมตรงนี้แหละเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องใจของตัวมาสังเกตว่าใจทุกเพราะอะไรในยาปกตินี่มันไม่เห็นนะเห็นยากนะเพราะว่าใจเร า, านิ่ง ที่นิ่งนี่ไม่ใช่เพราะไม่มีกิเลส น, นะแต่เป็นเพราะทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมันเข้าที่เข้าทางมันก็เหมือนกัน้ำอ่ะน้ํานิ่งเพราะว่ามันไม่มีลมไม่มีพายุแต่พอมีลมพัดนี่น้ำก็กระเพื่อมอ่ะไอการที่น้ํากระเพื่อมก็ทําให้เรานะมีการบ้านนะมาดูหรือมีแบบฝึกหัดให้มาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจของตัว เราก็จะเห็นว่าอ๋อที่ทุกข์เพราะอะไรเนี่ยที่ใจทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกเป็นตัวการสําคัญตัวการสำคัญคือขวามคิดปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละในใจนั่นอย่าทิ้งโอกาสนี้นะโอกาสที่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ถูกออกถูกใจจะเป็นร้อนจะเป็นหนาวนะอีกไม่นานก็หนาวแล้วนะทำว่าเช้าก็จะ กลายเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายนักนะหลายคนก็ไม่กะตื่นนอนมามาทําวัดมาแล้วก็รู้สึกหนาวแต่ก็ยังก็เหมือนกันนั่นแหละนะความหนาวเนี่ยมันเป็นแค่อากาศหนาวมากระทบกายมันไม่เห็นกระทบใจสักหน่อยแต่ทำไมใจเป็นทุกข์นะก็เพราะความคิดปรุงแต่งอยู่เหมือนกันหรือเพราะวางใจไม่ถูกนะการกลับมาดูใจของตนเนี่ยนะก็ จะเรียกสั้นๆามาเป็นการมองตนก็ได้เราต้องสร้างนิสัยนะนิสัยมองตนหรือว่าสังเกตจิตใจของตนอยู่เสมอไปมองภายนอกอันนั้นก็เป็นธรรมดานะเป็นสิ่งจำเป็นสาหรับชีวิตของเราในการดาเนินชีวิตประจาวันในการทำมาหากินเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆภายนอกมากมาย ต้องใช้ตาต้องใช้หูต้องใช้จมูกต้องใช้ลิ้นและต้องใช้กายในการรับรู้สิ่งภายนอกเพื่อเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องอย่างน้อยๆก็เพื่อไม่ให้มันมาทาอันตรายหรือสร้างปัญหาให้กับเราแต่ว่าต้องกลับมามองตนอยู่สม่าเสมอด้วยคนเราทุกวันนี้เก่งนะในการมอง สิ่งภายนอกในการวิาพากษ์วิจารณ์ในการตัดสินคนนั่นคนนี้นะแต่ว่าไม่เฉลียว ใ, ใจกลับมามองตนเสร็จ แ, แล้วก็เลยจมอยู่ในความทุกข์โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันมีชาดกเรื่องหนึ่งนะชาดกก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังไม่ตัดสรุวยังเป็นแค่พระโพธิสัตว์ ก็โพธิสัตว์คือปุถุชนนะที่กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อการตัดสรูในชาติหนึ่งพระองค์ก็เป็นลูกชาวนาพ่อเนี่ก็เป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งเดิมก็มีปู่มีพ่อแล้วก็มีลูกนะลูกคือพระโพธิสัตว์วันดีคืนดีปู่ก็เสียชีวิตพ่อนี่ก็เศร้าโศกเสียใจนะ จกระทั่งเผาศพไปเรียบร้อยแล้วก็ยังเศร้าเสียใจซึมไม่เป็นอันทาอะไรลูกเนี่ยคือพระโพธิสัต์เนี่ยก็อยากจะเตือนสติพ่อจริงๆก็พยายามพูดแล้วนะแต่พ่อก็ยังไม่คลายความเศร้าโศกวันหนึ่งก็มีวัวตัวหนึ่งตายมันก็ล้มแล้วก็ตาย แทนที่พระโพธิสัตว์หรือว่าลูกชายเนี่ยจะจัดการฝังก็ปล่อยให้ใหมันล้มอยู่งั้นแหละถทานั้นไม่พอนะก็ยังไปเกี่ยวเกี่ยวเอาย่านะมาให้ให้วัวที่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็พูดว่ากินซะกินซะพ่อเห็นเนี่ยก็เลย ต่อว่าลูกว่าไอ้วัวมันตายแล้วจะให้มันกินหญ้าได้ยังไงเจ้านี่โง่เหลือเกินวัวตายมันจะกินหญ้าได้ยังไงลูกก็ได้ทีเลยนะก็เลยพูดว่าพ่อไอ้วัวตัวนี้อมันยังมีร่างครบอยู่เลยนะมีทั้งปากมีทั้งแขนมีทั้งขามีทั้งตัวพ่อว่าเนี่ยมันตายแล้วกินหญ้าไม่ได้ มันจะฟื้นมากินหญ้าไม่ได้อ้าวแล้วปู่ปู่เนี่ยร่างก็ไม่เหลือเลยถูกเผาจนทั่งมีแค่เท่าทานพ่อก็ยังอยากจะให้พ่อก็ยังร้องหงอยร้องห้าอยากจะให้พ่ออยากให้ปู่กลับมาใครกันแน่ที่โง่กว่ากันนะลูกชายเนี่ยถามพ่อย้อนถามพ่อเนี่ยเนะพราพ่อนิฮาว่าลูกชายนี่โง่นะีไปเลี้ยง เอาหญ้าไปให้วัวที่ตายแล้วเสมือนกับว่ามันจะฟื้นกลับมาขึ้นมากินได้แต่ตัวพ่อเนี่ยนะปู่ตายแล้วก็ยังร้องห่ม m ร้องไห้อยากจะให้พ่อกลับมาอยากให้ปู่กลับมาทั้งที่ไม่เหลือแม้กระทั่งซากแล้วเหลือแค่กระดูกพอลูกชายพูดเช่นนี้เนี่ยนะพ่อก็ได้สติแล้วเออใช่นะเราไปด่าลูกว่างโง่นะไอะเรานี่โง่กว่าพ่อไอเรานี่โง่กว่าลูกอยูนะ หายเลยนะหายเศร้าหายโศกเลยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะังคนซึ่งนะมองเห็นคนอื่นนะว่าไม่เข้าท่าว่างโง่นะแต่ว่าลืมมองตนว่าแท้ที่จริงนี่โง่กว่าคนที่ตัวเองว่าสิอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มองตนนะฉลาดในการมองหรือว่าตัดสินคนอื่นเห็นคนอื่นโง่ แต่ว่ามองลืมมองตนว่าที่จริงเนี่ยโง่วกว่าคนอื่นเขาซอีกเล้คนเราก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเพราะเป็นอย่างนี้นะก็เลยจมอยู่ในความทุกข์แต่เมื่อใ่ก็ตามที่เราหันมามองตนนะหันมามองตนอย่างสม่ำเสมอเป็นนิสัยเนี่ยก็จะไม่เผลอตัวหรือไม่ลืมตัวปล่อยตัวจมอยู่ในความทุกข์หรือว่าทํา ในสิ่งที่เป็นความโง่นะเป็นความหลงเมื่อใดก็ตามที่เราไม่หันมามองตนไม่กลับมาดูใจเนี่ยความหลงมันก็เข้ม า, ขามาครอบงาจิตใจเราได้ง่ายนะคนเราหลงตัวลืมตนเป็นนิดเป็นประจำหรือหลงตัวลืมตนได้ง่ายจนเผลอทำอะไรที่โง่ๆออไปหรือเผล อ, อทำอะไรที่เป็นโทษกับตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่หันไม่หันไม่หมั่นมามองตน การที่จะมองตนได้เนี่ยนะไม่ได้มองด้วยตาเนื้อนะมันมองด้วยตาในตาไหนคือสติสติเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างหนึ่งอยู่แล้วคือการกลับมามองดูจิตใจของเรานะสติเนี่ยนอกจากมีไว้เพื่อการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นอดีตนะแล้วเนี่ยมันยังช่วยทำให้เราหันมารู้ทันนะใจของตัวด้วย ว่าใจตอนนี้เนี่ยกลังคิดฟุ้งปุงแต่งไปไกลแค่ไหนแล้วกาลังถูกอารมณ์ครอบงำหรือเปล่ามันช่วยปลุกให้ตื่นนะตื่นจากความหลงนะเพราะว่าพออารมณ์ครอบงำหรือพอความคิดเนี่ยมันครอบงำจิตใจเนี่ยก็หลงละลืมตัวเลยมันบางทีหลงถึงขั้นเรียว่าเมาเลยนะคนเราไม่ได้เมาเล่าอย่างเดียวนะมันเมาความคิดเมาอารมณ์ด้วย ให้ม า, าความคิดเนี่ยก็แสดงออกมาหลายอย่างเช่นคิดฟุ้งซ่านคิดรบวนลุ่มหลงอยู่ในความคิดหรือบางทีก็แสดงออกการออกมาเป็นการพูดเพ้อเจร์เนีเราจะเคยเจอนะคนที่พูดเพ้อเจร์เนี่ยมันมีความคิดอยู่ในใจแล้วก็อยากจะพูดอยากจะอยากจะแสดงออกมาบางทีก็ร้อนวิชานะัคนที่ม า, าความคิดประเภทหนึ่งพวกที่มีวิชาการเยอะเนี่ยร้อนวิชาพูดอยากจะพร่ำอยากจะพู ด, อ ย, พดอยากจะสอน อันนี้ก็เรียกว่าเมาวความคิดนะแล้วก็หลงติดอยู่ในอารมณ์ด้วยบางทีพูดแล้วพูดไม่มีหยุดก็มีนะเ mm hmm. พลินนะเพลินเ mm hmm. พลในความเพลในการพูดนะอันนี้เราก็เรียกว่าพูดเพอเจอก็จะว่าเป็นความเมาชนิดหนึ่งนะคือไม่รู้ตัวแต่ว่าก็คงไม่แย่เท่ากับเมาอารมณ์นะเมาอารมณ์เนี่ยโดยเพราะอารมณ์โกรธเนี่ยนะมันก็สามารถจะไปทำร้ายผู้อื่นได้ อารมณ์ที่เราว่าราค้าก็เหมือนกันนะถ้าเมาเนี่มันก็สร้างความเดื อ, อดร้อนเหมือนกันนะอาจจะไปลักขโมยอาจจะไปฉุดคนอื่นมากระทําอนาจารคนนี้ก็เมาลืมตัวบางทีแม้กระทั่งกับคนใกล้ชิดเนี่ยก็สามารถจะทําได้ถ้าหายเมาเมื่อไหร่ก็จะรู้ตัวโอ้ยเราทําผิดเราทำพลาดเราไม่น่าเลยรู้สึกเสียใจนะแต่ว่ามันก็ทําไปแล้วเนี่ยเพราะความเมา อ, อันนี้ก็เรียกรวมลว่าความหลงนะ แล้วเราไม่ได้หลงนะเฉพาะเวลามันมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นจนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะบางทีเราก็หลงแบบครึ่งๆกลางๆก็มีระหว่างที่เรานั่งนะฟังอัตมาบรรยายนีย่มันก็จะมีความหลงอยู่เป็นระยะระยะหลงเข้าไปในความคิดคิดถึงบ้านคิดถึงลูกหลงเข้าไปในเรื่องงานการที่ยังค้างคาอยู่ มีงานที่ต้องทํามีแผนที่ต้องส่งนมันก็หลงเข้าไปเป็นไอช่วงที่หลงนี่มันก็เหมือนกับว่าครึ่งคึ่งกลางๆางกันนะคื อ, อยังพอรู้เนื้อรู้ตัวบ้างนะและชีวิตประจําวันเราเป็นอย่างนี้แหละนะก็คืออยู่เหมือนคนหลงนะบางทีก็เปลี่ยนมาคนที่ละเมอนะีคนละเมอเนี่ยนะเขาก็สามารถที่จะเปิดประตูได้นะเท่านั้นที่เขา เขหลับอยู่เนี่ยสามารถจะเปิดประตูดได้ลงบันไดเข้าห้องน้ําได้เพราะว่าในในความกิ่งขาเนี่ยนะเขาจินตนาการเห็นอะไรต่างๆมากมายก็คือฝันนั่นแหละแต่เวลาฝันเนี่ยเราสังเกตไหมเวลาเราฝันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความจริงทุกเรื่องที่เราฝันเนี่ยในตอนนั้นเชื่อเป็นเรื่องจริ ง, งนั่นแหละ พอตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อมันเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงเราจะรู้ว่ามันเป็นฝันก็ต่อเมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วไอตอนที่แต่ตอนที่ฝันเนี่ยมันจมเข้าไปในความคิดเนี่ยมันลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยมันก็ไปสำคัญบ้าหมายเป็นความจริงชีวิตประจำวันของเราแม้จะตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยังฝันอยู่หรือว่าเราก็ยังจมอยู่ในความคิดปรุงแต่ง ตัวที่ไม่ได้อยู่ความจริงนะเพราะว่าเราไม่รู้สึกตัวนะการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเหมือนกับคนละเมอนะจนกว่าเราจะรู้ตัวขึ้นมาและที่เราจะรู้ตัวได้เนี่ยก็เพราะว่าเรารู้เท่าทันไอ้ความหลงนะรู้เท่าทันไอ้ความคิดปรุงต่งที่ทำให้ใจมันหลงเข้าไปในความคิดจนลืมเน้อลืมตัวรู้เท่าทันอารมณ์ที่มันครอบงาจนทำให้เราลืมตัว ทั้มนนี้เริ่มต้นได้นะเกิดขึ้นได้เพราะเราหมั่นมองตนอยู่เสมอหรือว่าหันมาสังเกตจิตใจใตัวเองไม่มัวแต่ไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่มัวแต่จดจ่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเจออะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมกลับมามองใจเรานะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าดีหรือลายบวกหรือลบสิ่งสําคัญที่มองข้ามคือต้องกลับมาดูใจ นะกลับมาดูใจเนี่ยโดยใช้สติคือตาในในด้านหนึ่งเราก็ต้องระวังนะเจอเหตุการณ์อะไรก็ต้องอาศัยตาอาศัยหูเนี่ยในการระวัระแวดระวังนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนอกตัวแต่ถ้าไม่พอต้องกลับมาดูใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นนิสัยแล้วก็จะช่วยให้ใจเราเป็นปกติได้ชาตินีพูดกับท่านนี้นะกราบพระ